ตาเทพอยู่ไหนลูกจะอยู่แม่โซเรียงครับแม่อ๋อติดอกติดใจอะไรที่แม่ซีเรียนนักหนาแล้วลูกมีดีเยอะแยะเลยแม่อืมมีดีขนาดลูกยอมทิ้งงานไปเลยไงก็คือว่าแม่ถามลูกจริงๆเถอะครับามาได้เลยแม่ตกลงว่างานที่บริษัทเนี่ยจะไม่กลับมาดูแลแ ล, แล้วใช่ไหมจะปล่อยให้กี้ดูแลคนเดียวว่างไงลูกตอนนี้แม่เขาไปดูแลรว ม, รวมอยู่ไหมใช่เหรอครับก็ใช่ แต่แม่น่ะไม่ได้มีประสิทธิภาพการทํางานดีเท่าเรานะลูกแม่แก่แล้วแม่ก็ดูได้บางส่วนเท่านั้นส่วนไหนที่มันซับซ้อนแม่ก็เบื่อที่จะดูละมันปวดหัวรู้ไหมรู้ครับแม่เฮนกี้บอกว่าเราใช้โทรศัพท์โทรเคลียร์งานกันทางโทรศัพท์หรืองไง ร, ระยะนึงอะฮะแล้วเมื่อไหร่จะกลับปะ ล, ลูกจะไม่แน่นอนครับแม่แบบนี้น่าสงสัยนะเนี่ยนั่นไงหัวเราะมีเลนในนะเนี่ย ก็ไม่เป็นไรซับซอ้อนแล้วแม่ไปติดใจใครเข้าเข้าล่ะอ๋ อ, อแม่พอจะเดาใจเราออกแล้วละ่ะการที่เราไม่ได้ไปหาแม่สุแล้วก็ติดแงกอยู่ที่ดอยแม่เสเลียงเพราะไปหลงรักสาวชาวดอยแม่เสเลียงเข้าแล้วละ่ะใช่ไหม <c oughs> นั่นไงแม่ว่าแล้วเชียวเมื่อวานยังนั่งเถียงกับกี่อยู่เลยแล้วอีแบบนี้แล้วเราก็จะต้องมีอะไรไม่ชอบมาผากลแน่ๆเลยเหรอครับ <c oughs> แล้วก็จะไปกันในทิศทางไหนล่ะเขาว่ากันว่าสาวชาวดอยเนี่ยนะเขาไม่มีวันแต่งงานกับคนต่างถิ่นล็อกขนาดคนเราเผาเขายังไม่ยอมแต่งข้ามเผากันเลยแล้วเราละเป็นใครเป็นหนุ่มกรุงเทพหนุ่มสําอางอย่างนั้นน่ะพ่อแม่เขาจะยอมให้เสียผีได้ยังไงล่ะฮึผมก็ไม่แน่นะครับแม่ความรักทั้งทุกอย่างละฮะพระเจ้าทรงประทานความรัก ให้หมวลมนุษย์แท้ๆนะครับแม่อะไรกันไปอยู่ดอยแม่เสรียงได้ไม่เท่าไหร่มีพระเจ้าอยู่ในใจแล้วเหรอแหมแ ม, แม่เข้าเมืองตาเหลิวก็ตาเหลียวตาตามนันแหละอ๋อหมายความว่าชาวดอยที่นั่นน่ะเขานับถือคริสหรือลูกครับแม่ หรอเหรอฝรั่งเขาก็เข้าใจไปเผยแพร่ศาสนานะก็ดีาศาสนาใดๆในโลกเนี้ร้่นสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นนะลูกขอเพียงให้คนมีาศาสนาอยู่ในใจยึดมั่นในคำสอนของพระาศาสดาโลกนี้ก็จะมีแต่ ส, สันติสุขแล้วละ่ะครับแม่เอแล้วนี่จัดการเรื่องของตัวเองได้เป็ยไรได้ยังเรืร่ อ, องอะไรล่ะฮะก็เห็นบอกว่าโดนปล้นหมดตัวไม่ใช่เหรอแจ้งความแล้วครับแม่ ไม่แจ้วันนี้แหละแต่คิดว่าคงไม่ได้อะไรคืนหรอกครับมีโอกาสไปเชียงใหม่จะไปจาัด ก, การเรื่องค่าเสียหายเรื่องรถหายนะฮะรถที่เช่ามามีประกรันนี่ลูกรถหายก็ให้ประกรันเขาชดใช้สิจริงไหมก็ไม่รู้ว่าจะลงเงอยยังไงนครับแม่ไงก็ต้องไปคุยกันก่อนะ่ะผมฝากสำเนาแจ้งความไปให้บริ ษ, ษัทเช่ารถแล้วละครับแล้วเรื่องโรงแรมที่เราไปเช็คอินไว้ที่เชียงใหม่ละ่ะ อ, อ๋อผมโทรเช็คเอาแล้วแต่เจ้าหน้าที่เก็บข้าของบางอย่างไว้ให้ ค่าใช้จ่ายให้หักบัตรเครดิตไปแล้วครับอืมไม่มีอะไรติดขัดนะไม่มีครับแม่ให้ตัวหาแม่เนี่ยกลัวมแม่จะเป็นห่วงผมอ่ะเป็นห่วงอยู่แล้วละ่ะยังไงก็ยังอย่าคิดหลงสาวจนลืมบ้านบริษัทละ่ะงานที่เนี่ยรอเราอยู่นะลูกนะครับแม่ผมไม่ลืมแน่นอนแล้วผมก็ไม่มีวันลืมแม่ด้วยผมมีแม่คนเดียวเท่านั้นนะครับแต่เลิกแม่กับเมียเนี่ยคือหมายความว่าต้องเลิกทางใดทางหนึ่งแล้วละ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะผมขอเลิกแม่ก่อน พราะแม่เวลายู่กับผมได้ไม่นานที่เมียน่ะหาเมื่อไหร่ก็หาได้อยู่แล้วล่ะครับอืชื่นใจแม่จังเลยลูกผมรักแม่มากนะฮะจ้าแม่เองก็รักลูกมากเหมือนกันนะลูกแม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับจ้าแล้วก็อย่าติดละครจะนอนเดืทุกคืนละฮะรู้แล้วนะ้าแหมช่างว่าแม่ดีนักไม่ให้แม่ติดละครแล้วจะให้แม่ไปติดอะไรล่ะติดงานสังคมนอกบ้านหรือไง อย่างนั้นเนี่ยยิ่งแย่ไปใหญ่เลยนะลูกรู้ไหมก็รู้ครับแต่อยากให้แม่พาเราไปมั่งไม่ใช่มีละครดกช่องดิช่องแม่จองจนหมดนะฮะอ้าวก็ของแม่ชอบนี่จะให้ทาไงได้ล่ะมันก็ไม่ดึกเท่าไหร่แล้วลูกสี่ท่มกว่าละครจบก็เข้านอนแล้วล่ะครับงั้นค่นี้ก่อนนะครับแม่เราสงเท้าจะออกแล้วตายจริงนี่ธุระกันดานขนาดนั้นใช่เหรลูก ต้องนั่งรถสองแถวเลยเหรออยู่กรุงเทพขับรถยุโรปหรูหราป้ายแดงตัางหากตอนนี้ผมเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแม่จริงเหรอจริงครับผมไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนีติดอะไรมากมายแล้วครอบครัวชาวดอยสอนผมให้เข้าใจชีวิตที่แท้จริงคนได้ดีมากฉละครับขนาดนั้นเลยเหรอลูกครับแม่คิ ด, ดูสิฮะผมอยู่บ้านตัวมันเตียวราคาสี่ห้ามื่นทีวีเครื่องเป็นแสนแค่ชุดนอนก็พอแล้วชุดหนึ่งหลายร้อยแต่อยู่ที่นี่นะ นอนเสือที่ชาวดอยเขาทอเองแล้วก็นอนในห้องโล่งๆฝาผนังเป็นไม้ไผ่ตัางหากด้วยโอ๊ยตายแล้วแค่นึกภาพตามแม่ก็สยองขวัญแล้วละ่ะอยู่ไปได้ยังไงผนังบ้านเป็นไม้ไผ่อะโอ้ยตายแล้วฉันก็นี่ไงแม่พุ๊ดบอกแม่ไงว่าครอบครัวนี้เขาสอนผมเรื่องการอยู่รอดของชีวิตไว้เยอะมากอะอืมก็ดีลูกถ้าลูกอยู่แล้วมีความสุข ไม่ฝืนใจลูกก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่าลืมงานทางนี้นะครับผทต้องกลับไปได้นอนครับแม่จ้ะและแม่จะรอวันนั้นลูกครับแม่ค่นี้ก่อนนะฮะคุยนานแล้วจ้าโชคดีนะจ้ะลูกสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าลูก ติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment อธิษฐานมีจริงเกิดในหัวใจรู้ชีวิตไม่ได้โหดรายรู้ว่าฉันโชคดีเท่าไรที่ยังหายใจอยู่มาถึงจนวันนี้รอคนดีพร้อมมันใจวาดไวและสุดท้ายก็พบเธอเจอคนที่เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ เจอแล้วไม่อาจจะเปลี่ยนใจเหมือนได้รับความหวังจากฟ้าส่งเธอลงมาให้หัวใจ ฉัน Goodbye. ความจะคงอดไปความงามตามใครไม่ใช่เธอมองความเป็นเธอที่สอนไวันิสวยงามันนยิเธอตรงที่เธอเป็นเธออย่างที่ คือของความล้ำคายย่ายิ่ยงใงหญ่มองเห็นได้อยู่เสมอรถเธอสวยงามที่ใจและยอมรับฉันมันคือความอัศจรรย์มองเห็นได้ในใจและรับรู้ได้ในตาวเธคือของความล้ำค่ายิ่งใหญ่มองเห็นได้อยู่เสมอ ส้มรับฉันมันคือความอัศจรรย์เหลือเกิน Oh Oh ส้มรับฉันมันคือความอัศจรรย์ที่พบเจอ s e n s n g b t r h a m s n g t i i i i i i a n r k c o h u n มองไม่สึนถึงสายตาเธอมองไม่สึถึงความหัวใจว่นสัตาเพียงใดน้ำหยดลงินทุกวันหนมันยังรอแต่หัวใจอ่อนอ่อนงเธอทำูสิ่งใดสทสถานสั We've been w a o w i o g for. For w h o t ตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment นะเทพคุณอยู่ไหนนะ่ะไม่ได้ติดต่อกันเลยนะเนี่ยได้ข่าวจากกี้ว่าคุณโดนปล้นใช่ผมขอให้กี้โทรบอกคุณเองแหละพอดีว่าตอนนั้นผมไม่สะดวกอค่ะทุก อ, อย่างมันสับสนไปนหมดไปรู้ว่าทำอะไรก่อนอะไรหลังดีฉันเข้าใจคนดีค่ะก็จะดีแค่ไหนดีก็แล้วกันนะ้าไม่จริงหรอกทําไมถึงคิดว่าไม่จริงละ่ะเพราะว่าท่านเข้าใจผมดีนะคุณก็คงไม่ขอเลิกกับผมใช่ไหมเทพคะเรื่องนั้นนะ่ะเราเคลียร์กันแล้วนะคะอโอเคไม่พูดถึงก็ได้ คุณเป็นไงบ้างสบายดีแล้วละ่ะเห็นว่าโดนยิงด้วยแผลหาดีแล้วขอบคุณที่อุตส่าห์เป็นห่วงนะเทพคะ่ะฟังนะคะอ้าวฟังนสิถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามแต่เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไม่ใช่เหรอได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็นี่ไงฉันเป็นห่วงคุณในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันโอเคมะโอเคครับดีคะ่ะตกลงว่าตอนนี้คุณดีแล้วดีแล้วละ่ะอืมฉันดีใจนะที่คุณสบายดี ขอบคุณครับแล้วคุณล่ะเช่นทําไมคะชีวิตคู่ยังดีอยู่นะอือฮอคือเราก็ต้องปรับตัวขา้็หากันเนียค่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยควบกันเฉยเฉยไม่รู้หรอกค่ะแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วถึงจะรู้ว่าเขาต้องการแบบไหนชอบยังไงไม่ชอบยังไงก็ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันเลยค่ะก็ดีแล้วเข้าใจกันดีอยู่ด้วยกันก็ดีจริงไหมอือค่ะผมเป็นคนเจ้ารมอ่ะไม่มีใครทน อ, อยู่กับผมได้หรอก เรื่องแค่นั้นน่ะมันขึ้นอยู่ที่คุณเนี่ย <orton. S 1> ค่ะก็อยู่ที่ผมจะยอมปรับปรุงตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมค่ะฉันพูดตรงไปหรือเปล่าคะเนี่ยก็ดีแล้วที่พูดตรงเป็นเพื่อนไม่ต้องมานั่งเกรงใจกันหรอกก็ใช่นะ่ะสิฉันไม่เกรงใจหรอกถ้าฉันเกรงใจคุณนี่ยนะฉันคงจะไม่ขอยแยกทางกับคุณหรอกค่ะผมเข้าใจคุณเองก็อยากให้มผมปรับปรุงตัวเองแล้วแต่ผมทําไม่ได้เองอ่ะแต่วตอนนี้นะผมมีข่าวดี key, จะบอกคุณแล้วล่ะข่าวดีเลยคะอืม อ เ, เ, เออไรเอว่าไปหลงรักสาวชาวดอยจะแต่งงานกันแล้วใช่ไั้เทพจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเราแค่เข้าใจเฉยเข้าใจกันแ ล, ล้วครอบครัวของเธอก็เป็นคนสอนผมเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นใจเย็นลงไปเยอะมากเลยไม่เป็นคนเจ้ารมเหมือนแต่ก่อนแล้วละ่ะจริงเหรอคะอืมดีใจด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าแล้วละ่ะพระเจ้าเหรอคะอืมพระเจ้าสรงให้ผมปฏิบัติตนสมัย ให้รู้จักยับยั้งชั่งใจทําอะไรให้ใช้สติไม่เอาอารมณ์ไปที่ตั้งแล้วผมก็ค่อยๆทําได้ดีมากเลยค่ะเหมือนเฮียเลยค่ะอือแฟนคุณน่ะเหรอค่ะแฟนคุณทำไมเหรอแฟนฉันก็คลิสเหมือนกันค่ะอ้าวอ้เหรอแบบเนี้ยก็หของพระเจ้าเหมือนกั น, น, นสินะค่ะแล้วคุณล่ะตอนเนี้ย ฉันเป็นลูกของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆทําพิธีที่หัวหินก็ยังต้องทําแบบาศาสนาพุทธเพราะพ่อแม่ฉันเป็นพุทธแต่เฮียเขาก็เข้าใจไม่ว่ากันขอให้เป็นสิ่งดีเป็นสิริมงคลกับชีวิตคู่ครองยังไงก็ได้แล้วค่อยมาทําพิธีแบบคลิป ท, ที่เชียงรายเออดีไม่ล่ะแต่งงานทีงทาสองวิธีด้วยกันน<ม>่ะก็เย<ม>ี่ยมมาสิเออฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะแล้ว บรากาศรงแรมแฟนคนดีมไก็ดีค่ะห้องไม่มีว่างเลยอ่ะดีละละแ ล, ล้วล่ะดูแลครอบครัวดีๆนะฮะค่ะผมอยากเห็นครอบครัวคุณมีความสุข happy อยู่ชั่วนิรันดนระ์น่ะขอบคุณค่ะคุณเองก็เหมือนกันนะคะขอให้เจอเนื้อคู่ที่ดีจริงๆช่วยคำจุนซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณครับว่างๆอย่าลืมแวะมาหาฉันที่เชียงรายนะคะแฟนเธอไม่หึงนะโฮ้ยไม่หรอกเขายังถามถึงคุณอยู่เลยอ๋อเหรอค่ะก็าถามว่าไงอ่ะ ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะชวนคุณมาเที่ยวที่เชียงใหม่สักทีเคยเป็นแฟนกันมาก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นเพื่อนกันได้อ่าครับฝากบอกแฟนคุณด้วยนะปมยจะไปล้มทับแน่นอนได้เลยแล้วจะบอกให้นะแค <c oughs> ่ดี้ก่อนนะเราจะมานโทรไปคุยด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย